ค่ำคืนนั้นตลอดทั้งแคมป์สว่างสวยไปด้วยกองไฟและเสียงสวนเสเฮฮาร้องรําทําเพลงของพวกลูกหาปตลอดจนพานพื้นเมืองเชิดถาสั่งให้นําเล่าออกมาเลี้ยงพวกนั้นอย่างเต็มที่เป็นการฉลองชัยมันเป็นคืนแรกที่คึกคักเบิกบานที่สุดนับตั้งแต่เดินทางเข้าป่ามาบรรยากาศเต็มไปด้วยความแจ่มชื่นยินดีดาลินเวราฤทธ์กลายเป็นราชีนีของพวกลูกหาปและพลานพื้นเมืองทุกคนทั้งหมดพากันพร่ำพูสนเสริญถึงหล่อน เต็มไปด้วยความเลื่อมสายศรัทธาและยำเกรงยิ่งไม่เป็นปัญหาข่าวไอแหวงล้มลงด้วยฝีมือของร่อนจะต้องกระจายออกไปทั่วตลอดทั้งละแวกป่าใกล้และไกลภายหลังจากที่คนเหล่านี้ได้แยกย้ายกันออกไปแล้วพวกเขาจะเล่าลือกันไปอย่างไม่มีวันจบสิน้นนายผู้หญิงสวยราวกับเทพธิดาดับพยาค้อจารร้ายสมยากระเดีอง ที่พรานทั้งหลายติดตามล่ามาเป็นเวลาช้านานลงด้วยกระสุนประการศิษย์เพียงนัดเดียวการล้มมหิงสาของรอนในครั้งแรกคนเหล่านี้ก็ยังไม่กระตือรือร้นสนใจมากมายนักต่างคิดแต่ว่ามันอาจเป็นการบังเอิญแต่การล้มไม่แหว่งซ้ำสองมันกระจัดความสงสัยทั้งมวลของพวกเขาออกไปหมดสิน้นรอนคือเจ้าแม่ของพวกเขาโดยแท้ในกระโจมพักหลังอาหารค่ํา ทุกคนอยู่อารมณ์ของความสุขผิดไปกว่าทุกคืนดารินผุดผาดสคาอยู่ในเสื้อคลุมสีก้านมะลิปล่อยผมสยายมันเป็นคืนแรกที่ล่อนปล่อยตัวปล่อยใจอย่างสบายเหมือนกับอยู่ในคฤหาสน์ของตนเองนับตั้งแต่รอนแรง ม, มาใบหน้าสุขปร่างราวกับผิวมะปรางกระทบแสงไฟเป็นยองใหญ่ด้วยฤทธิ์บรันดีพรานใหญ่ผู้ผาออกไปรวมกลุ่มกับคนของเขาเมื่อตอนหัวคำ่ำ และถูกเชตถายคนไปเรียกเข้ามาสนทนาด้วยอีกครั้งโผร่เขามาเห็นภาพของนักมนุษยวิทยาสาวด้วยอาการงง ง, งนันอดที่จะพิศวงไม่ได้ว่าสตรีสาวสคลานโฉมผู้นี้นหรือที่คลานลากไรเฟิลเคียงคู่กับเขาบุกป่าฝ่านามมุ่งเข้าหาโขลงช้างร้ายเมื่อวานที่แล้วหวนคิดถึงภาพตอนนั้นแล้วทำให้แทบจะเชื่อเสียไม่ได้ความงดงามอันน่าทนุถนอมดังเช่นที่เห็นอยู่ในขณะนี้ มันช่างคานเป็นตรงกันข้ามกับความบึกบืนกล้าวแกร่งเทียมอกสามสอจากพฤติการที่ผ่านมาราวกับจะเป็นคนละคนกันทีเดียวหล่อนครึ่งนั่งครึ่งนอนอยู่บนเตียงผ้าใบทอดปีน้องอันเปล่าเปลือยขาวผ่องให้แง่ท า, ายผู้นั่งอยู่บนพระม้าเตี้ยปลายเตียงนวดเฟ้นประครบน้ําร้อนอยู่พอเห็นเขาวแหวกประตูกระจกโผล่เข้ามาก็สบัดชายเสื้อตัวยาวอันงามระยับคลุมน้องไว้ พยักหน้ากับแง่สายเป็นความหมายให้หมดหน้าที่ไปได้ผุดลุกขึ้นยืนคลายสายรัดเอวเลิกคิ้วขึ้นนิดหนึ่งไม่เห็นเขาจ้องมองมาที่รอนขออนุญาตนอนให้สบายในชุดอย่างนี้หน่อยนะในพรานเชื่อว่าคงไม่มีเหตุฉุกเฉินอะไรเกิดขึ้นอีกสำหรับที่นี่แล้วพิณชิดเท้าตรงก้มศรีรษะให้แล้วเดินเข้าไปที่โต๊ะสนามอันมีเชีากับชายยานรอคอยเขาอยู่แล้ว ทั้งสองกำลังศึกษาแผนที่โดยสังเกตของเส้นทางเดินทางจากกล่มช้างไปยังเทือกเขาพระศิวะที่เขามอบไว้ให้ก่อนแล้วเสร็จศึกอ้แหว่งโล่งอกไปเสียทีต่อไปนี้ก็มุ่งเข้าแผนการเดิมของเราได้แล้วเชื่อถาอพูดยิ้มยิ้มมองจับอยู่ที่ใบหน้าพรานใหญ่พรุ่งนี้เราพักกันอยู่ที่นี่อีกสักวันพอมาลืนก็เคลื่อนย้ายมุ่งหล่มช้างเลยสุดแล้วแต่คุณชายเถิดครับ ว่าแต่การเคลื่อนย้ายเดินทางจะเป็นอันตรายอะไรกับบาดแผลของคุณชายหรือไม่เท่านั้นแม้จะนั่งไปในเกวียนมันก็กระเทือนมากเหมือนกันเรื่องนี้ผมหารือน้อยแล้วเขาบอกว่าไม่เป็นไรความจริงแผลของผมก็ค่ออย่างชั่วมากแล้วและดีขึ้นทุกทีผมอยากให้ไปถึงจุดเริ่มต้นของเราคือที่หล่มช้างนี่เสียก่อนแล้วไปพักรออยู่ที่นั่นจนกว่าผมจะเรียบร้อยเราจึงเริ่มเดินทางยึดหล่มช้างเป็นที่พักฟื้นไปในตัว ถ้า ง, งั้นก็ตกลงครับทางผมไม่มีอะไรขัดข้องอันที่จริงถ้าไม่ห่วงเรื่องบาดแผลจะอักเสบ พ, พรุ่งนี้ก็ออกเดินทางเลยก็ยังไหวหัวหน้าคณะตบไหล่เขายิ้มระไมพักเสียอีกวันเถอะเป็นการพักให้สำหรับคุณและพวกเราที่ไปสะบักสะบอมกรมหนักมาแล้วเอาแรงไว้สักวันหนึ่งเราไม่มีอะไรที่ต้องเร่งร้อนรีบด่วนกันเกินกว่าเหตุการที่ปราบไอแหวงลงได้สาเร็จทาให้ผมสบายใจมากที่สุด หมดเรื่องกังวลแล้วจะได้เริ่มงานแท้จริงของเราเสียทีเขาก้มศรีรษะรงแทนคำตอบรับชายยันก็สอดถามมาว่าระยะทางจากนี้ถึงหล่มช้างเราใช้เวลากันกี่วันประมาณสมวันครับหมายถึงไปด้วยขบวนเกวียนของเราทั้งหมดแต่ถ้าเดินกันแบบตัวเปล่าตัดทางขึ้นเขาก็เพียงสองวันเท่านั้นเราค่อยๆเดินกันไปตามสบายก็ได้ หมู่บ้านรมช้างหนาแน่นมีคนอยู่สักขนาดไหนก็ประมาณสัก30กว่าหลังคาเรือนครับเป็นหมู่บ้านแหล่งสุดท้ายที่ผมเคยสำรวจพบห่างออกไปทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของหนองน้ำแห้งอันจะเป็นจุดเริ่มแรกของเราจัดว่าเป็นหมู่บ้านใหญ่แห่งหนึ่งทีเดียวพวกนั้นฝังโรกรากถาวร อ, อยู่กันที่นั่นมานานไม่เคยปรากฏว่าร้างเหมือนหมู่บ้านอื่น ผมเชื่อว่าเมื่อไปถึงที่นั่นเราอาจพบหลักฐานอันเป็นข้าวของของคุณชายอนุชาหรือชดประชากรที่ทิ้งไว้ให้แก่พวกนั้นเพราะเอาติดตัวไปไม่ได้หรืออยู่บ้างครั้งสุดท้ายผมยังเห็นเกวียนของคุณชายอนุชาอยู่ที่นั่นเลยการเอ่ยถึงหม่อมราชวงศ์อนุชาวราลิศหรือนักสแสวงโชคผู้ใช้นามปลอมว่าชดประชากรสร้างความเงียบงันให้แก่บรรยากาศภายในเต็นท์ขึ้น คณะในจ้างของเขาทั้งสามพากันนิ่งงันกันไปครู่ใหญ่สีหน้าเศร้าหมองลงด้วยความปริวิตตกดารินทอดสายตาเมื่อรอยนั่งหักนิ้วเงียบขึมเชษฐาถอนใจเบาๆส่วนชายยานหยิบบุหรี่ขึ้นมาจุดสูบแล้วกล่าวขึ้นขึมๆึ ม, มที่หมู่บ้านดมช้างนี่คุณพอที่จะเกลี้ยกล่อมให้พวกชาวบ้านเป็นลูกหาไปกับเราด้วยได้ไหมถ้าได้ก็จะสะดวกขึ้นอีกไม่ใช่น้อย ของจำเป็นของเรามีมากได้อีกสักสามสี่คนก็คงพอครานใหญ่นิ่งคิดแล้วก็บอกว่าคุณชายอนุชาได้ลองพยายามดูก่อนเราแล้วครับแต่ไม่สําเร็จพวกนั้นไม่ยอมไปด้วยเลยแต่ผมจะพยายามลองพูดกับพวกนั้นดูอีกทีเพราะถึงอย่างไรเราก็ต้องไปพักกันที่นั่นพอสมควรทีเดียวจนกว่าขาคุณชายจะหายเป็นปกติถึงพวกนั้นจะไม่ยอมไปด้วยก็ไม่เป็นไร พวกเราบุกกันไป9คนตามอัตราเดิมนี่แหละหัวหน้าคณะพูดขึ้นรวมๆพางหัวเราะอยู่ในลำคอความจริงถ้าจะถือตามเคล็ดจำนวนคนของเราที่จะไปด้วยกันก็เป็นเลขมงคลอยู่แล้วฝ่ายระพินห้าคนพวกเรา 3, เสสมทบกับแง่ทรายอีกหนึ่งรวมเป็น9พอดีเป็นตายร้ายดีอย่างไรไปรู้เอาข้างหน้าว่าอันที่จริงแล้วทีม9คนของพวกเราแข็งเปรีย้ยพอที่จ ะ, ะเผชิญกับทุกสิ่งทุกอย่างได้ทั้งนั้น แล้วก็เป็นกําลังคนที่พอเหมาะพอเจาะไม่มากไม่น้อยอนุชาเสียอีกเขาบุกแดนมรณะกับเพื่อนตายอันเป็นพรานพื้นเมืองเพียงสองคนเท่านั้นแล้วผลของมันก็คืออนุชากลายเป็นคนสาบสูญไปจนกระทั่งบัดนี้สหายของเขาพึมพามมาด้วยอาการเศร้าๆลุกขึ้นเดินไปวางมือลงบนไหล่ของอีกฝ่ายตบเบาๆส่วนตามองไปที่พรานใหญ่พูดต่อมาว่าของมันแน่นอนอยู่แล้วว่า ถ้าไม่ได้คนเพิ่มเติมจริงๆเราก็ไปกันแค่ข้าวคนนี่แต่ถ้าบังเอิญมีคนอาสาสมัครมันก็ยิ่งดีขึ้นอีกอย่างที่บอกแล้วเกี่ยวกับการหาผามสัมภาระลำพังพวกเราสามคนนั้นอย่างเก่งที่สุดก็เพียงแค่ย่ามหลังติดตัวกันคนละใบเท่านั้นต้องคิดกันให้รอบครอบทีเดียวเกี่ยวกับน้ำหนักสัมภาระจำเป็นที่จะเอาไปด้วยเรารอนแลมมันไปอย่างไม่มีกาหนดแน่นอนและไม่รู้แน่ว่าจะเผชิญกับอะไรบ้าง แต่ก็พอจะรู้ว่ามันมหาวิบากขีสุดทีเดียวเพราะฉะนั้นสิ่งของที่จะนำติดตัวไปจึงเป็นเรื่องต้องคำนึงถึงมันมากที่สุดถ้ามันเกิดขาดแคลนขึ้นการเดินทางจะพบกับอุปสรรคเชษฐาอึ้งไปด้วยคำพูดอันรอบค้อบของชายยันระหว่างที่หัวหน้าคณะกำลังใช้ความคิดรพินบอกมาว่าถ้าเราออกจากกรมช้างตามทีมเดิมของเราก้าคนนี่ ก็แปลว่าเรามีลูกหาบอยู่ห้าคนครับพรานของผมสี่คนและแง่าสายคนหนึ่งทั้งห้าคนนี้จะทำหน้าที่หาบหามดาดินเคลื่อนช้าๆเข้ามารวมกลุ่มการสนทนาหาดินนั้นเมื่อรู้สึกว่าปัญหาหนักใจน่าคิดกำลังเกิดขึ้นหล่อนถามแทรกเบาๆขึ้นว่าคุณคำนวณไว้แล้วหรื อ, อยังพวกพรานของคุณรวมทั้งแง่าสายอันจะทาหน้าที่เป็นลูกหาบนี้ คนหนึ่งจะแบกน้ําหนักได้ประมาณสักเท่าไหร่เต็มอัตราสึกก็ไม่เกินกนละสามสกิโลก ร, รมัมเขาตอบโดยไม่ต้องคิดทั้งสา ม, มองดูตากันเองชายยันยกมือขึ้นรูปปลายคาง 5. คนก็เอาไปได้ประมาณไม่เกินร้อยห้ากิโลก ร, รมัมเจอเอาข้อสารอันเป็นเสบียงสําคัญก็ไม่ปลาไปกว่าครึ่งของน้ําหนักของทั้งหมดแล้วหรือเชิฐาสั่นหน้ายิ้มเกลียว การเดินทางของเราในครั้งนี้เรื่องสเสบียงต้องถือเป็นเรื่องจำเป็นน้อยที่สุดถ้ามัวไปคิดพึ่งข้าวสารอยู่ก็ไม่ต้องไปกันเท่านั้นข้าวสารจำนวนสักเท่าไหร่กันจึงจะพอกินในจำนวนของคน9้าคนที่เดินไปอย่างไม่รู้กำหนดเวลาและถ้าข้าวสารหมดไม่แปลว่าการเดินทางของเราชะงักอยู่เพียงแค่นั้นหรือเพราะฉะนั้นเราทุกคนต้องรับรู้ไว้ล่วงหน้าว่าเราจะหาอาหารประทางชีวิตไประหว่างทางซึ่งแน่และ เนื้อสัตว์ย่อมเป็นหลักสเบียงของเราก็เอาไปบ้างเหมือนกันแต่พอประมาณเท่านั้นจะใช้ก็แต่เมื่อจำเป็นจริงๆโดยหาอาหารอื่นไม่ได้เมื่อเราตัดภาระเรื่องน้ำหนักของเสเบียงไปเสียได้ในจำนวน150หกิโลก ร, รัมที่เราจะเอาติดตัวไปก็ไม่ใช่น้ำหนักที่น้อยเกินไปนักสำหรับอุปกรณ์จะเป็นอื่นๆเอางั้นเหรอชา ย, ยันหันไปถามพานใหญ่คุณชายพูดถูกแล้วครับ เราจะมามัวคำนึงถึงสเสบียงอยู่ไม่ได้เพราะไม่ช้าก็เร็วมันจะต้องหมดตรงแน่สำหรับการเดินทางไม่มีกำหนดของเราสเสบียงเป็นเรื่องที่จะหาเอาดาบหน้าน้ำหนักของข้าวสารจึงควรเปลี่ยนมาเป็นน้ำหนักของลูกปืนและเครื่องเวชภัณฑ์เป็นอันดับแรกถ้างั้นก็หายห่วงอดีตนายทหารปืนใหญ่นักผชนภัยว่าแล้วหันมาตบแขนเพื่อนสาผู้เม้มริมฝีปาคุ้นคิดอยู่อดไม่ได้ที่จะมีอารมณ์ขัน เย็นใจได้แล้วน้อยต่อไปนี้เธอเห็นจะได้ดิ้มรสกิ้งกาตะกวดหรือไม่ก็ ง, งูแน่ๆไปหาดกินเสียที่รมช้างก่อนก็ได้ยังพอมีเวลาถมนักมนุษยวิทยายิ้มจืดๆแต่แววตาเด็ดเดี่ยวปราจากแววพร่านพึงไม่ต้องเป็นห่วงหรอกบอกแล้วว่าเมื่อถึงเวลาฉันทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างได้เหมือนพวกเราทุกคนพรางหล่อนก็ทอดสายตาไปทางรพินพูดเนิบๆว่า คำพังเผยเข้ากล่าวกันไม่ว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าวที่นี้ในป่าล่ะจะมีเนื้อเสมอไปไหมพรานใหญ่ ย, ยิ้มกว้างๆของอ่านข้อกังวลใจของหลอนได้ถูกแม้ว่ามันจะแฝงอยู่รึกรั้มจนสายตาผัดผาดค้นไม่พบผู้หญิงย่อมหนีนิสัยของผู้หญิงไปไม่พน้นนั่นก็คือมักวิตกกลิ่งเกงอยู่เสมอไม่ว่าจะกล้าแกลงสกปานใด เสมอไปครับแต่มีข้อแม้ว่าเราจะพบมันหรือไม่และก็บ่อยเสียด้วยขณะที่เราต้องการอาหารไม่มีสัตว์ชนิดที่ควรจะเป็นอาหารได้ตัวดใดโผล่ไม้เห็นเลยแม้ว่าจะเดินหากันเป็นวันวันอันนี้เองที่ฝึกนิสัยของนักเดินป่าให้รู้จักกินไม่เลือกเพื่อประทังชีวิตไว้พรางขออย่างเดียวเท่านั้นสิ่งที่กินทําให้อิ่มและไม่เป็นพิษเป็นภัยแก่ชีวิตไม่ต้องกลัวหลอกหน้าน้อยเพื่อนชายซ่อนยิม้ม สับยอกมาอีกอย่างหน้าตายและพินเอ่ยแงาซายเอ่ยไหนจะพานพื้นเมืองผู้ชำนาญอีกถึงสี่คนรวมเป็นมือดีตั้งหคนเป็นพี่เลี้ยงไปด้วยอยู่แล้วอย่างไม่ได้อะไรเลยก็ขอรับประกันให้ได้ร่วงหน้าว่าพอจะหาเขียดหรือกิ้งเกือมาให้เธอขยอกได้ไม่ต้องกลัวอดทุกคนหัวเราะยกเว้นนักมนุษยวิทยาสาวคนเดียวหล่อนฟาดกําป้นไปที่หลังของเพื่อนชายดังปึก แล้วเดินกลับไปนั่งบนอะไรอุบอิบอยู่ที่เตียงตามเดิมเชื้อถาชวนพรานใหญ่ร่วมดืมและสนทนาสอบซักถึงแผนการคืบหน้าพอเป็นสังเกตจนเวลาสี่ทุ่มเศษจึงอนุญาตให้เขากลับไปพักผ่อนส่วนตนเองเตรียมเข้านอนรับผิดโผล่พ้นประตูกระโจมพักของนายจ้างออกมาก็สวนกับดาลินตรงหน้าเต็นท์หล่อนพระออกจากกระโจมพักไปตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่ทราบ คงจะออกไปเดินเล่นรอบบริเวณแคมป์และสังสรรค์กับพวกลูกหาบที่ดื่มกินสนุกสนานกันอยู่และเพิ่งจะกลับเข้ามาพรานใหญ่ก้าวหลบไปเสียทางหนึ่งให้พ้นประตูกระโจมเปิดทางให้แกหลอนแต่หญิงสาวคงยืนนิ่งอยู่กับที่มือทั้งสองซุกอยู่ในกระเป๋าเสื้อกาวตัวงามลมเย็นเป่าเส้นผมสยายิปลิวสวเอียงค อ, อนิดๆอยู่ในไนกาวแบบนี้คุณหญิงควรจะพักผ่อนอยู่ในเฉพาะกระโจมเท่านั้น ไม่ควรออกไปเดินข้างนอกเขาเป็นฝ่ายพูดขึ้นเบาๆหล่อนไม่สนใจกับคำติงนั้นกลับบอกมาเนิบๆว่าเสร็จสึกไอ้แหวงกลับมาถึงค่ายพักแล้วเมื่อไหร่จะถางป่าใต้คางออกเสียทีมันลบหูลกตาเลยเกินเขาเกือบจะสะดุง้งยกมือขึ้นรูปคำปลายคางอสากคลิ้มไปด้วยน้ำโดยไม่ตั้งใจแล้วหัวเราะหึห่ในลาคอต้องขออาภายัยผมไม่มีเวลาจะคานึงถึงมันอยู่ ถ้ามันทำความรำคาญให้นายหญิงก็จะถางมันออกเสียแต่ขอผลัดเป็นพรุ่งนี้เลาจะสะกุลสาวเลิกคิ้วแย้มริมฝีปากออกมาน้อยๆกว่าตาดูร่างขงมุขมอมแข็งแกร่งที่ยืนอยู่ตรงหน้าคล้ายจะสำรวจตรวจสอบให้ตลอดทั้งกายครั้นแล้วก็มาสะดุดนิ่งอยู่ที่ข้อมือของเขาเคิ้วกระมวดเล็กน้อยรอยยิ้มจางหายไปกลายเป็นความเคร่งขรึมเอ๊ะผ้าของฉันที่พันไว้ให้หายไปไหนแล้ว พลานใหญ่ก้มลงที่ข้อมือด้านนั้นซึ่งบตดนี้มีผ้ากอสพันอยู่หนานแน่นและเรือบขึ้นก็พบดวงตาดำสนิทจ้องเปลงมาโดยไม่กระพริบแทนคำตอบเขาบันจงแก้ปมผ้ากอสที่ผูกเอาไว้ออกช้าๆคลี่ให้พ้นออกไปพอมันหลุดออกมาหล่อนก็เห็นแพรพันคอสีรุงที่ตนเองเป็นคนพันไว้ให้แก่เขานคืนหนึ่งยังคงกระชับติดอยู่ที่ข้อมือด้านนั้นในลักษณะเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ที่หลอนไม่เห็นแต่แรกก็เพราะผ้ากอสผืนนั้นพันทับหุ้มไว้อีกชั้นหนึ่งเท่านั้นแววตาเคร่งเครียดมึนตึงคู่นั้นระรื่นพราวสายขึ้นตามเดิมแต่ยังคงปั้นหน้าคลิมนึกว่าแกะทิ้งไปเสียแล้วอีกทำไมจะต้องเอาผ้าพันแผลทับไว้อีกชั้นหนึ่งด้วยของมีค่าก็ควรจะต้องทนุถนอมไม่อยากให้เปอะเปื้อนขมุขขมอมเสียพันหุ้มไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่นี่ วันรุ่งขึ้นของคืนที่เจ้าของผ้ากรุณาพันไว้ให้คืนนั้นความจริงเจ้าของผ้าน่าจะสังเกตเห็นตั้งนานแล้วแต่บางทีคงเป็นเพราะเพราะอะไรทําไมไม่พูดให้จบเพราะหลังจากพันไว้ให้แล้วก็ไม่ได้สนใจอะไรด้วยอีกลืมไปเลยแต่สําหรับผู้รับแน่ละจําตลอดไปไม่มีวันลืมหล่อนนิ่งลิมวิปากพเพย์เหมือนจะพูดอะไรออกมา แต่แล้วก็กระซิบมาเพียงสั้นๆว่าราตีสวัสด์แล้วก็หันหลังเดินพระเข้าประตูกระจมไปมันเป็นราตีอันราบคาบสันติสุขภายใต้แสงเงินยวงของสกาวจันที่อาบอาแรมลงมาทั่วเหลี่ยมสไลดไพรพนาขณะที่ทอดร่างลงนอนทอดสายตาทอดมองรอดวงล้อเกวียนขึ้นไปยังเดือนที่รอยควางเจิดแจ่มอยู่กลางเวหาโซดของเขาแววเสียงทุ่มลึกกงวานแวว ในท่วงทำนองรักของลำนำเพลงชาวเขาดังลอยรมมาจากที่ใดที่หนึ่งแม้จะไม่เห็นที่มาของเสียงก็จำได้แง่าสายเจ้าหนุ่มพเนจรผู้ลึกรับรุ่งขึ้นเป็นวันแห่งการพักผ่อนตลอดทั้งวันตามคำสั่งของหัวหน้าคณะพอถัดมาอีกวันแคมป์อันปลูกสร้างเป็นระยะยาวนานกว่าอาทิตย์ก็ถูกรื้อถอน ขบวนเกวียนเริ่มเคลื่อนย้ายจากป่าหวายมุ่งตะวันตกเฉียงเหนือต่อไปการเดินทางเป็นไปตามสบายไม่มีอะไรเร่งร้อนเชษฐาผู้ตกอยู่ในฐานะพิการชั่วขณะโดยสารไปในเกวียนโดยมีหม่อมราชวงศ์หญิงดาลินนั่งเป็นเพื่อนอยู่ด้วยส่วนชัยยันนั้นลงมาเดินอยู่เคียงคู่กับพระพินในบางครั้งบางคราวพอเมื่อไอ้ข้าวก็กลับขึ้นไปนั่งเกวียนกับเพื่อนทั้งสองสลับกันอยู่เช่นนั้นรอนแรมผ่านทุ่งโลงดงทึบ ขุนขาวรำนาห้วยกันไปเป็นระยะท่ามกลางภูมิภาพอันสวยงามตื่นตาและคนกับความน่าสะพรงกลัวไม่พบผ่านหมู่บ้านหรือวีแววของมนุษย์ในระหว่างทางให้เห็นเลยนอกจากสัตว์ป่าขนาดเล็กซึ่งนานๆนนจะปรากฏผ่านหน้าขบวนเกวียนให้เห็นสักครั้งบางขณะก็ตัดไปในท่ามกลางละอองฝนที่เป็นม่านปกคลุมทึบอยู่ทั่วไปและบางขณะก็กล่กันไปกลางแดดอันแผดเปรี้ยงอบอ้าว พวกพันไม้และสัตว์ประเภทนกเริ่มจะมีลักษณะแตกต่างออกไปจากเท่าที่เคยผ่านมาแล้วถิวขาวที่แวดล้อมอยู่รอบด้านก็มีสันฐานเป็นรูปประหลาดหน้าพิศวงบางลูกแห้งแรงมองเห็น ร, ร่องรอยมิตรก้อนหินและบางลูกก็ปกคลุมหนาทึบเขียวจะอุ่มไปด้วยต้นไม้พอตกข้ามก็ปลดเกวียนตั้งแคมป์ชั่วขาวขึ้นพักนอนแรมคืนคันรุ่งขึ้นก็ออกเดินทางต่อ ไม่มีเหตุการณ์ร้ายใดๆเกิดขึ้นอีกเลยนับตั้งแต่ไอแหว่งถูกพิชิตราบคาบลงการเดินทางคืบหน้าเป็นไปอย่างสะดวกสบายปลอดโปร่งยิ่งบางเวลาขณะที่ขบวนเกวียนตัดผ่านทุ่งรงจะมองเห็นฝูงวัวดำวิ่งขนานกับขบวนเกวียนฝูงใหญ่ในระยะห่างๆอยู่เป็นเวลาอึดใจใหญ่ๆก่อนที่จะแยกตัวหายเข้าดงไปบางทีระม่งและฟานอันเป็นสัตว์ประเภทที่หาดูได้ยากกระโจนตัดหน้าผ่านให้เห็น และครั้งหนึ่งในเวลาโพรโเพก่อนที่จะถึงตำแหน่งหยุดพักวางแคมป์ขบวนเกวียนทั้งหมดเดินสวนกับช้างโขงหนึ่งประมาณ1ิกว่าตัวระหว่างที่เดินลงจากเนินทำเอาเกิดปั่นป่วนโอนามานไปทุกคนเตรียมพร้อมที่จะรับมือแต่ก็เป็นโชคดีสำหรับสัตว์ป่าและมนุษย์ด้วยกันทั้งสองฝ่ายเจ้าโฆษกสารที่นาฝูงโดยแม่แปกเป็นฝ่ายหลีกทางให้แก่มนุษย์หนีแยกหลบเข้าป่าข้างทางไป เชษฐาออกคำสั่งห้ามเด็ดขาดไม่ให้ยิงสัตว์ป่าชนิดใดทั้งสิ้นโดยไม่จำเป็นภาพของชีวิตสัตว์ที่ได้พบเห็นมันท่องเที่ยวหากินกันอยู่อย่างเสรีตามธรรมชาตินั้นเป็นความตึงตาประทับใจแกคณะนายจ้างทั้งสามอย่างยิ่งเดี๋ยวนี้ไม่มีใครคิดที่จะล่ามันอีกแล้วนอกจากพวงถึงการเดินทางอย่างเดียวเย็นของวันต่อมา ขณะที่ผ่านทุ่งแฝกสลับไปกับหญ้าคาลเลี่ยไปตามตีนขา่ารูปหนึ่งคาราวานเกวียนก็ผ่านเข้าไปในไร่ซากเหลือร่องรอยพอให้เห็นได้ว่าครั้งหนึ่งมันเป็นแหล่งเพาะ ป, ปลูกแต่ถูกทอดทิ้งให้รกร้างว่างเปล่าขณะนั้นตะวันต่ำลงทุกขณะแดดผีตากพระ อ, อ้อมโรยลงมาอาบบริเวณไร่ร้างซึ่งอยู่ในระหว่างป่าโปร่งและดงไผ่นั้นแลเห็นใบไม้เป็น ส, สีแสบตาไปหมด เสียงหมาป่าเห่าหอนเยือกเย็นวงเวงมาเป็นระยะพรานใหญ่ผู้เดินนำอยู่เบื้องหน้าหยุดยืนชะ ง, งักเล็กน้อยกว่าสายตาไปรอบด้านพร้อมกับควักบุหรี่ออกมาจุดสูบเขายืนรอจนกระทั่งเกวียนคันที่คณะนายจ้างนั่นเคลื่อนเข้ามาถึงถึงผู้เตยที่เราจะหยุดพักกันคืนนี้แล้วไม่ใช่หรือเชษฐาผู้ตลอดเวลามีแผนที่หยับยาบศึกษาอยู่ในมือร้องถามมา จอมพานเสยปิดหมวที่หลบหน้าอยู่ให้ขึ้นไปกองอยู่กลางสีจะคว้าชายผ้าเคียนเอวขึ้นซับเหงือ่อหัวคิ้วของเขาขมวดอย่างคุ้นคิดพิสงเรนรับครับที่นี่แหละผู้เตยหนองน้ําอยู่ทางด้านไหนแล้วก็หมู่บ้านพวกกะเหลี่ยงล่ะชายยันดึงแผนที่จากมือของเชี่าไปดูแล้วลุกขึ้นยืนบนแอรเกียนพยายามกวาดสายตาไปรอบๆหมู่บ้านอยู่ทางด้านขวามือนั่นครับ ในระหว่างดงผายห่างปากทางเข้าที่เห็นออกไปประมาณกิโลส่วนหนองน้าอยู่ในป่าแดงด้านซ้ายว่าแต่เราจะตั้งแคมป์คืนนี้กันที่ไหนในหมู่บ้านหรือว่าที่หนองน้าชั ย, ยานเปรย์ถามขอความเห็นรวมๆเชษฐาก็ตัดสินมาว่าใกล้น้าไว้ก่อนดีกว่าสะดวกดีระยะจากหนองน้ากับหมู่บ้านไม่ห่างกันมากนักตั้งแคมป์เสร็จเราค่อยเข้าไปเยี่ยมพวกในหมู่บ้าน หรือจะให้คนไปเชิญในบ้านมาคุยกับเราที่แคมป์ก็ได้เข้าไปตั้งแคมป์ในหมู่บ้านรบกวนพวกเขาปเปล่าๆอย่างน้อยเขาก็ต้องต้อนรับเราเออกระเออยุ่งยากสําหรับเขาใช่ที่แล้ผินนิ่งเหมือนจะคิดอะไรอยู่อีกอืดใจก็ป้องเปล่าตะโกนบอกเกวียนคันหน้าแล้วโบกมือทําสัญญาณให้รู้ว่าให้นําเกวียนมุ่งไปทางป่าแดงอันเป็นตําแหน่งที่ตั้งหนองน้ําโดยคําสั่งของหัวหน้าคณะ พรางตนเองก็เล่นฝีเท้าพระจกเกวียนของนายจ้างตามหลังเกวียนคันหน้าไปสังเกตรหรือเปล่าท่าทีของพรานใหญ่มีอะไรเป็นกังวลพิกลเช่ถาผู้รอบคอบเอ่ยขึ้นเบาๆกับสหายของเขาชัยยันหน้าตื่นทำไมหรือก็บอกไม่ถูกเหมือนกันรู้สึกแต่เพียงว่ารัพินกำลังคิดอะไรอยู่บางอย่างลักษณะของหมอแบบนี้ไม่อะไรก็อะไรสักอย่าง จะต้องเกิดขึ้นเสมอเท่าที่สังเกตมาฉันไม่เข้าใจมันจะเกิดอะไรขึ้นทำนองไหนฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแกคิดไปเองมั้งถ้ามีอะไรระพินก็น่าจะบอกกับเราแล้วดาลินนิ่งฟังสองชายพูดอยู่เงียบๆหัวเราออกมาเบาๆเอ่ยแซ่ขึ้นว่าอยากรู้ไม่ล่ะอะไรเป็นความคิดอ่านของพรานใหญ่อยู่ในขณะนี้พี่ชายและเพื่อน หันมามองดูหล่อนอย่างแปลกใจทำไมเธออ่านความคิดเขาออกงั้นหรือชยันถามโดยเร็วฉันนะ่ะอ่านไม่ออกหรอกแต่คนอ่านออกมีคนคนนี้จะเป็นกระจกเงาสำหรับเราอย่างดีทีเดียวที่จะส่องสะท้อนให้เราเห็นความคิดและแผนการของรพินเพียงแต่เราจะใช้เขาหรือไม่เท่านั้นว่าแล้วหล่อนก็ผิวปากแหลมยาวแง่สายผู้เดินสงบอยู่ข้างเกวียนหันขวับมา ก็เห็นนายหญิงกระดิกนิ้วเรียกคนใช้ชาวโดงยิ้มหญิงฟานเดินเข้ามาชิดเกวียนแงยสายถ้าทางผานใหญ่ของเราไม่ค่อยสบายใจมีอะไรหรือกะเลียงร่างยักษ์นิ่งกว่าตามองไปยังไล่ซากที่ขบวนเกวียนกําลังเคลื่อนตัดผ่านไปแล้วจับไปยังร่างของรถพินผู้เดินดุ่มอยู่เบื้องหน้าไล่เหล่านี้เป็นของกะเลียงพูดเตยแต่ทําไมมันจึงถูกปล่อยให้รกร้าง แง่ทรายกำลังคิดอยู่เหมือนกันทั้งสามหันมองดูตากันเมื่อได้ยินคำพูดรอยๆของแง่ทรายแล้วจ้องมองไปยังความรกร้างรอบด้านอีกครั้งพวกนั้นย้ายถิ่นอพยพไปเสียแล้วกำลังถึงได้ปล่อยไล่พวกนี้ร้างไว้เชษฐาร้องบอกมาเชยันเสริมมาอีกคนว่าก็ไม่เห็นแปลกอะไรนี่ถึงพวกนั้นจะย้ายไปแล้วก็ตามเราไม่ได้หวังพึ่งอะไรพวกเขาไม่มีอะไรที่ต้องกังวลสักนิด กะเหลี่ยงลงแรงทําไล่ปลูกบ้านที่อยู่ถาวรขึ้นแล้วจะไม่อพยพทิ้งถิ่นไปง่ายๆอะไรเป็นต้นเหตุให้พวกนั้นร้างไปผู้กองคงกำลังคิดอยู่เขารู้จากชอบพอกันมากกับหาเอิงหัวหน้าของที่นี่อ๋อเท่านั้นเองหรอกเลยดาลินครางออกมาพร้อมกับหัวเราะไอ้แหว่งของเราเสียระมังที่เป็นตัวการให้พวกนี้ย้ายถิ่นไป แต่ก็ไม่เห็นมีร่องรอยว่าช้างจะลงกลางควานไร่พวกนี้เลยนี่ขณะนั้นแสงสนธยาการที่อาบอยู่ตลอดแนวไร่เมื่อสรัวมัวมลลงไปอีกอากาศเริ่มเย็นเยือกลงเป็นลำดับเสียงหอนของหมาจ้งจอกดังโหยหัวอยู่ไม่ขาดระยะสลับไปกับสำเนียงครางตาของนกถึกถือบนยอดไม้สูงพอใกล้ทางแย่ที่จะตัดขึ้นหมู่บ้านโซดระสาของดารินก็แว่วเสียงคล้ายคนพูดกันงึมงิแว่วตามลงมา ต่อมาก็เป็นเสียงกระบอกไม้ไผ่แกว่งกระทบกันและเสียงคล้ายๆครกต่ำข้าวดังอยู่เป็นระยะขาดขาดหายหายไหนแงยสายบอกว่าพวกนั้นย้ายกันไปแล้วยังไงล่ะยังอยู่กันออกคึกคักนั่นเชษฐาและชัยยานพลอยหวัวเราเออกมาเบาๆโล่ง อ, อกไปเสียทีพรานใหญ่ของเราคงหายห่วงแล้วแต่ให้ตายสิฉันไม่ชอบเสียงหอนของไอ้หมาจิ้งจอกพวกนั้นเลย แถวนี้ถ้าจะชุมมากฟังแล้วมันเย็นไปหมดทุกขุมขนยังไม่ทันค่ำเลยหอนเสียแล้วชัยยันว่าแง่า ย, ายมิกล่าวคำใดอีกในตาเป็นประกายวาวประราดแง่หน้าทายจมูกล่อนไปมาในอากาศเหมือนจะสำรวจอะไรสักอย่างแล้วเดินห่างเกวียนของนายจ้างออกไปลมโชยอ่อนๆจากดงไผ่มาวูบหนึ่งกลิ่นสังสางลอยผ่านเข้ามาสัมผัสกับนาศิกประสาทของทุกคนอย่างเบาบาง ชั่วอึดใจเดียวมันก็หายไปเชษฐาชัยยันและดาลินสัมผัสกับกลิ่นชนิดนี้พร้อมกันแต่ไม่มีใครสนใจนักคงนั่งสนทนากันอยู่เป็นปกติพรานใหญ่หยุดชะงักลงอีกครั้งบุญคำเดินตามขึ้นมาทันทั้งสองมองดูหน้ากันเงียบๆขณะเดินเคียงข้างกันไปนายได้กลิ่นอะไรไหมบุญคำกระซิบืมเขาคลางต่ๆในราคอ ไม่ได้เอ่ยคำใดอีกไอ้พวกผู้เตยมันอยู่กันยังไงเราเดินเกวียนผ่านท้ายบ้านมันห่างแค่นี้เองไม่เห็นมีใครรู้ตัวโ p r o c e ออ e v e n t ขเสียงบุญคำบ่นอุบอิบต่อมาอีกครู่ใหญ่ขบวนเกวียนก็ตัดแยกเข้าป่าดงและไม่นานนักในระหว่างตะวันชิงพบนั่นเองก็ถึงหนองน้ำกว้างประมาณร้อยตารางวาในวงร้อมของป่ารวกและพุ่มไม้ตี๋ๆน้าเป็นสีดาสนิทเหมือนนิน อันคงเนื่องมาจากสีของพื้นดินข้างล่างก่อนเกวียนจะเดินทางเข้ามาถึงรถพินได้ร่วงหน้ามาถึงก่อนแล้วและออกตัวไปรอบๆ บ, บริเวณใกล้เคียงพอหยุดเกวียนจะโปรงสัมภาระลงวางแคมป์พวกลูกหาบก็ปราดเข้าหาหนองน้ําเป็นอันดับแรกด้วยความร้อนทุกคนกระหายเพราะกลั่มหนักมาทั้งวันทันใดนั่นเองทุกคนก็ต้องสะ ด, ดุ้งขึ้นสุดตัวเสียงไรเฟิล น, นัดหนึ่งระเบิดขึ้นกึกก้องท่ามกลางความเงียบสงัด หัวกระสุนพุ่งลงมากลางหนองน้ําระเบิดน้ําแตกกระจายเป็นลําพุ่งขึ้นสูงไปในอากาศพวกลูกหาบที่สุดกุ้งข่าวอยู่ริมหนองกำลังจะวักน้ําก็ใส่ปากพงะตะลึงเพลิงเพลิด้วยความตกใจก่อนที่ใครจะทันรู้สึกตัวทราบในสาเหตุนั่นเองเสียงพรานใหญ่ตะโกนกล้องลงมา <c oughs> อย่าแตะต้องหนองน้ํานั่นใครหิวน้ําไปกินน้ําที่บรรทุกมาในเกวียนทุกคนเห็นเขายือนอยู่บนเนินตอนหนึ่ง พร้อมกับเสียงตะโกนนั้นก็โบกมือเป็นสัญญาณห้ามลไล่พวกลูกหาให้ออกจากน้องน้ำไม่มีปัญหาไลเฟินนัดนั้นระเบิดมาจากมือของพรานใหญ่นั่นเองเขาใช้เสียงปืนหยุดพวกนั้นไว้ได้อย่างกระทันหันวุดหวิ ด, วดก่อนที่ใครจะทันวักใส่ปากเกิดอะไรขึ้นละพินเชี่ยฐากับชัยยานตะโกนถามแ ล, ล่ล่ามรักออกไปพร้อมกันก็เห็นพรานใหญ่กวักมือเรียก เขาอยู่ห่างจากขาบวนเกวียนที่ขึ้นมาชุมนุมรวมกลุ่มกันอยู่ริมหนองน้ํานั้นราวๆสิบสเมตรในพงรกแกอยู่นั่นแหละเชิดท้าอย่าพยายามลงมาชายันร้องบอกเพื่อนของเขาเร็วปือแล้วคว้าไหล่เฟินประจํามือกระโดดลงจากเกวียนพร้อมกับดาลินตรงเข้าไปหารถพินทันทีบุญคําได้พานพื้นเมืออีกสามคนออกวิ่งตามหลังเข้ามาเป็นพลทั้งหมดพากันเข้ามาถึงตําแหน่งที่พานใหญ่หยุดยืน เห็นเขายืนนิ่งสีหน้าเครียดมา่านตาลี่ทอดม อ, มองไปยังบริเวณใต้พื้นพงนั้นต่อนหนึ่งห่างออกไปเพียงสองวาชายยันกับดารินหันมองตามก็แทะประหกร้องออกมาด้วยความตกใจพวก่านพื้นมืองที่ตามเขามาทีหลังพากันพึมพำแซดแล้วพูกันเข้ามารายล้อมพิจารณาสิ่งนั้นมันคือศพตายซาแกแห้งเกราะของหญิงกะเหรี่ยงผู้หนึ่ง นอนโกงโก้อยู่บนกองไม้ใบแห้งศพนั้นมีแต่เพียงท่อนเอวขึ้นมาส่วนท่อนร่างหายไปหนังสีคราำลัดติดกระดูกบางแห่งมีรอยถูกสัตว์แทะจนเหลือแต่กระดูกขาวเส้นผมอันยาวกระจายรุงรังปกคลุมอยู่บนใบหน้าอันแสนจะ น, น่าเกลียดน่ากลัวแถบหนึ่งกลายเป็นกระดูกไปแล้วเห็นกระดูกโหนกแก้มและกรามส่วนอีกแถบหนึ่งยังมีหนังสีครามครามหุ้มอยู่จมูกและในตากลวงโบ